มาเมืไหร่มาเมไหรู่ดทำาให้ฟังทีนี้ก็เป็นปี2550ยังมาเรื่องทีสองปีมา148ก็จะเกิดครบท่าเตือหนิาก็ครบ ท, ทากตือ มันไม่มีทางอะไอกแลงวเริย น, นจบเราไม่จจ้จากปริญญาเร <c oughs> าพูดให้ให้คิดบ้างพอเวลามันมีแจะเดินไปข้างหน้ามี่จ ะ, จะ้อยอย่างไรไม่รย้สำหรับทวเราน ทีวิตของพวกเราก็สั้นันไปเรื่อยๆพระเจ้าทรงสอนให้ที่จงานอยู่เรือยว่าร่างกายของเราคปนของม่เที่ยงมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมปธรรมดาจงยังประโยชน์ทังตรงและทั้อื่นให้ถึงร้อม ดูความน่าจดหมายนี่เป็นพระกชิโมว่าหลวงพ่อพระเจ้าที่ทรงจับไว้กองที่จะเสด็จหลับฐานทัจไปิพานไปทรงมีความ่วงยาวชั่วเราเป็นอย่างมากที่อาจจะไม่ข้อได้คิดถึง ความจริงเขารู้ความจริงทีอว่าชีวิตของพวกเราเ น, นีมันไม่ขึ้นแค่เรื่องเงินังอาจจะหมดไปด้านในเันงใดเรนและจะต้องหมดไปดยอย่างแน่นอนนแต่ว่าจะชาตรืเรื่องอะไรเราคือไม่ควรตั้งอยู่ในความตป น, นาะบาคือไม่ควรคิดว่า เราจะอยู่ไปนานเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงว่าเราจะอยู่ได้าานานสเท่าไรเราจนควรคิตกองกั้ามเกี่ยล้อคนจะคิดว่าเราอาจจะอยู่ต่อไม่นานก็จะได้ถือว่างไม่ประมาัถ้าคิดว่าอยู่นานไม่ว่าประมาณ แต่ถ้าคิดว่าอาจจะไปวันนี้หรือช่วงนี้อย่างนี้จะเรียกว่าไม่ดีเพราะถ้าเราคือว่าเราอาจจะไปวันนี้หรือช่วงนี้เราจะได้รียกจับจารจากสิ่งที่เราควรจะจัดจารก่อนเรยปฏิบัติเรียกทำในสิ่ที่เราคนรจะทำก่เราจะได้จาักการง้าดลำดับขั้นของ ตามสังคญของอสิ่งต่างๆว่าอนไนสงังคากตัญว่าไม่มีอะไรที่จะสงังคมกว่าตาระฏิบัติเพื่อให้ไดประโยชน์กับกองกคือให้ได้หลุดพ้นจากาวามขู่ขวานให้ไา้หยุดพ้นจากการเรียนว่าการศึกษาเราคอยทอนยีให้แก่ผู้อื่น ตอบไปเพราะถ้าเราโมโหแต่ความประโยชน์ให้กับผู้อื่นเราไม่ทําประโยชน์ให้กับตัวเราเวลาที่เราตายไปเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์ประโยชน์ของเรานี่ต้องมาตอบประโยชน์ของผู้ประโยน์ของใจของเราต้องมาตอบประโยชน์ของ ่งการและของคือเดกัหาร่างการของเรานี้เป็นเป็นเครื่องที่เราจะเอามาทำประโยชน์ให้กับใจก็ได้ให้กับคือเด็กปัญหาจะได้ถ้าเราการ่างการมาทำประโยชน์ให้กับคือเด็หา เราก็จะสร้างความทุกข์ให้มีเทิ่มากขึ้นไปไม่ได้ทาให้ความทุกข์ภายในใจของเราลดน้อยลงไปยุบหมดไปแต่ถ้าเราเราิ่มการมาทําประโยชน์ให้กับใจด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภานเราก็จะทําประโยชน์ให้กับรจได้อย่างเพิ่มขี้น และเราจะได้สำเร็จประโยชน์ได้ทำไานไม่จี่ปีถ้าเราตั้งใจทำจกิงจังเพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองไวแล้วว่าที่ใดฆ่าปฏิบัติธรรมที่พรทธเจ้าทสอนให้กิรเจ็บปีก็จะได้สำเร็จได้บรรลุธรรม พราะมีผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมเข้าขะแนานวนมาและได้สนุกประโยชน์ภายในเวลาที่ได้ช่าว่อย่าง้ก็ทาในชาาจโนเจปแต่ไม่โดนชาตนี้นจะสร็จต่อที่จะสิ้นชื่อต่อ นี่คือเรื่องที่เราควรที่จะดำเนินควรจะให้ความสำคัญอย่างนิ่งเพือเรื่องของการทางประโยชน์ให้แก่ใจของเราประโยชน์ั้งที่เองปัหานั้นเป็นประโยชน์หรอกเป็นประโยชน์ที่ไม่มีคนมีประโยชน์กับใจเป็นเป็นการกระทำที่จะ เพิ่มความทุกให้มีเพิ่มมากขึ้นไปทาง ใ, ใจถ้าเรายังสวังหาประโยชน์ทางลาภยกสัมภเวสีอาจาหูจะหนักขึ้นไปก็สแสดงว่าเราพยายามทำประโยชน์ให้แต่เกิดทางหายนเราพยายามทำโทษใจของเราด้วยการพความทุก คามมีใจให้มีเพิ่มมากขึ้นเพิ่มการยืนยันการเกิดให้มีเพิ่มมากขึ้นอีกคือเรื่องของเราชีวิตของเราอยู่ตรงนี้การกระทำของเราทุกวันนี้ก็แบ่งเป็นสามส่วนสวนหนึ่งก็ทําให้กับร่างกายที่จําเป็นจะต้องเวลา เพราร่างกายเป็นเหมนเครื่องมือที the the ่เราจะได้นำอันมาทําประโยชน์ท่ากับใจหรือท่ากับเกลื่านปัญหาประโยชน์ที่สก็คือประโยชน์ที่เราทํำให้กับที่ื่านปัญหาประโยชน์ที่สาก็คือประโยชน์ที่เราทํำให้กับเา้ของมันล ถ้าเราศึกษาเระทยวทบคามสัมพัน์ะเราต้อ ง, ง, อง ร, รู้ว่าเราควรจะทำประโยชนเกี่ยวกั ส, สือโดยประโยชนทางร่างกายและประโยชน์ทางใจไม่ควรจะทำประโยชน์ทางจิตใจหรือไม่ควรที่จะไปสหาลาบเลือผลลัหาความสุข การหายใจอ่วกันเราควรที่จะแสวงหาความอยากที่พัฒนาใจด้วยการ ท, ทาทางด้วยการรักษาศีลด้วยการพนาส่วนการดูแลร่างกายเร า, ร ต, ราต้อ ง, งดูกามอสัตว์กาคทามจาเป็นด้วยหลักฐานความนักน้อยสำเร็จ ควรที่จะเสียเลากับการดูแลร่างกายแบบผู้รัแบบเกิเหตุเกินผลรางตายต้องการเพียงปัจจัยส่และเม่ว่าจะต้องเป็นปัจจัยสี่ที่รีเสกหรือใจหย่อนยานขอให้ทาหน้าที่ดูแลรักษาร่างกาย ถ้าอยู่อย่างปกติเหน้าก็พอเช่นวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าที่ททรงมีเป็นแบบสมรัติเนลาวของการดูแลร่างกายแบบสบดีแบบเรียกได้แบบนักร้อยสมบูรณเช่นอาหารก็ให้ยินกับารมีได้มากน้อนก็ เอาไว้รับประทานเื่อไม่เหลือพร้อมถ้าเหลือก็ให้สำรับไม่เจ็บท้อ ง, งที่เาษือใส่ก็หนาไป่ตาที่สามารถได้ในตาให้เขาเป็นหลักอยู่ตามคนนะหรืออาจจะสร้างเพิ่ ไปสำนักการด่าคำสอนดอยู่ตามเท้าตามเนื้อขาดอตามเรือนวังนี่คือที่อยู่อาศของพระพุทธเจ้าของพระอาราพักเพื่อมือหอมก็ส่องสองในให้ใช้ภาพวังสกคือ้าที่ถูกที่มเงาป่าช้า้าที่ต้องใช้ห่อส มีผ้าที่ซื้อมหจากการคอนขยะที่ไม่มีใคร ต, อตอ้องการนะได้เก็บผ้าที่เล็กที่น้อยมารวบรวมมาไว้พอได้จำนวนพอกับการเย็บให้เต็นผ้าชีวอนไว้นุ่มก็เอามาเย็บเสร็จแล้วก็ย้อมด้วยน้าที่ ต่อมกับแจ่มม้าขึ้นม้าแจ่มขนมนี่คือเครื่อนนงมือของพระพุทเจ้าพระสงฆ์พระอาหันตทั้งหลายในใายุคบดบบุบเบิดใยุคที่ยังไม่ได้ส่งสอนใยาตยมถวายผ้าสถนท่านจะใช้ข้าป่ากันนีนก็ข้าบังสุกุลข้าป่าก็คือผ้าที่ได้จากป่าชาเนี่ย ยารักษาโลคก็รักษาด้ิยยาสมุนไพรตามฤดูามเกิดหรืรักษาด้วยการเดิมูดเพื่อยาดองน้มูดนี้ก็ความที่จะดูลรักษาร่างกายให้อยู่ไปจนถึงเวลาอันควนของ่างกา นี่คือคือชีวิตการอยู่ของผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากการเยืนว่ากายสุดผู้ที่ต้องการจะดับทุกที่อยู่ภายในใจถ้าเรา ม, มแต่ไปรุ่นวาย ก, กับการสังมหาแสวงหาที่อยู่อาสัยเชือผ้าอุร์อาหารยารักษาโรค การบางที่กเลอดหรือเราก็จะเสียเวลาไปเพราะจะต้องใช้เวลามากเวลาที่เราจะได้นามาใช้กับการปฏิบัติเก็จะน้อยแทนที่จะเอื้อประโยชน์แทงที่จะส่งเสริมการปฏิบัติากลายเป็นปุบประสาทของการปฏิบัติกัน ขอให้เราพลายพิจารณาดูว่าการอยู่กลางรัชกานของเรานี้อยู่แบบไหนอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอาหันต์菩萨อยู่อยู่แบบมหาเศรษฐีอยู่แบบราชามหากษัตริย์ถ้าอยู่แบบมหาเศรษฐีอยู่แบบราชามหากษัตริย์ก็อยู่เพื่อสิทธิปัญหานี่เอง เป็นการทำประโยชน์สองส่วนใจพร้อมๆกันทำประโยชน์ให้กับร่างกายและทำประโยชน์ให้กับเพืเ่อตาหาไปพวกผู้ต่างๆเช่นบ้านก็ต้อ ง, องหล่โจมโมโหลานราคาเป็นศุษเป็นนายล้านเสื้อผ้าพรก็ต้องประดับเพชรประดับพรก็ อ, ออกมาจะรับออกแบบมีชื่อเสียงจากชอดปาะหนึ่งชุดประสอ อาหารก็ต้องอาหารที่วิเศษอาหารที่หายในร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมีราคาแทงๆยารักษาโรค ก, ก็ต้องรักษาด้วยยาที่มีราคาแทงๆรักษาการงองตกลงาที่มีราคาแทงๆถ้าเราอยู่แบบนี้เราก็จะ ต้องเสียเรือจับการหาเงินหาทองเพื่อมาใช้จ่ายกับการเรื่อนดูล่างตัว เ, าเราก็จะต้องเลื่อนกับการหาเงินหาทองจะไม่เสยเวลาที่จะมาทําประโยชน์ให้กับการเพราะทานเราก็ไม่อยากจะทําเพราะว่าเราได้ทั้งหมดที่เราได้มา เราจะต้องพุ่มไปให้กับการดูแลรักษาร่างกายของเราแบบรูหร้หลากนอกจากดูแลร่างกายแล้วยังไม่พอถ้ามีเงินเหลืออีกก็เอาไปดูแลจิตหลุดปันหาต่อไปซื้อของสุ่มวฟือยต่างตอบเสื้อผ้าพอรีพอใช้แล้วก็ยังไม่หยุดซื้อ ได้รับประทานอาหารอาหเลือดหนูแล้วก็ยังไม่พอยังต้องหาความสุขจากสิ่งอื่นต่อต้องหาความสุขจากรูปเสียงเส่นไปดูไปฟังละครไปดูการแสดงต่างๆโดยความการแสดงต่างๆหรือ ไ, ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเัล่นี้เป็นการกระทำเพื่อ ให้เกิดประโยชน์กับกิเลสต่ตางหากแล้วก็จะเกิดความทุกขเกิดโทษกับจิตใจเพราะกิเลสต่ตางหานี้เป็นเหมือนเชื้อโรคของใจนี้เท่างกายเราถ้าได้รับการส่งเสริมด้วยการให้มีเชื้อโรคมีเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่โรคภัยไข้เจ็บในร่างกายก็ต้องมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลแบบําดับตามกําลังของเชื้อโรค Là, จำได้ความทุกข์ใจก็เช่นเดียวกันความทุกข์ใจของเราจะมีมากหรน้อยก็ここอยู่ที่กำมังด้วยกาลังของจิตตหานั่นเอถ้าเกิดปัญหามีกำลังมากมีกำบางมากความทุกข์ทางใจก็มีมากถ้าเกิดปัญหามีกำลังน้อยความทุกข์ทางใจก็จะมีน้อย นี่แหละคืองานที่พวกเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันตายทำกันน้องทดทดทวนดูว่าเราทำงานส่วนไหนมากกว่ากันเราทำทาง ท, ทำททางนักษาศียภาวนาหรือเราแสวงหาราบยศ ส, สร้ส า, า, างเสริมสวงหาความสุกทางลูกสูงสิ้นรด แสวงหาความอยู่เป็นอยู่แบบรู้หลา แ, แบบแบบแทงๆว่าเราทำแบบไหนอยู่ถ้าแบบเราต้องการที่จะบรรลุมรรคผลิธานอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหัธกตสาวกท่าั้งหลายได้บรรลุกันก เราก็ต้องดูเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นมาเหตุก็คือวิถีชีวิตที่ทระพุทเจ้าได้ท่งดาเนินมะาที่ข้าวหองปัสสาวะทั้งหลายได้ดำเนินไปนั่นก็คืออยู่แบบเรียกง่ายอยู่แบบสมรัถะอยู่แบบมักน้อยสองเดชพอเพียงพอเพียงต่อพานต้องกางขอ ง, งร่างกาย อาหารจะอาหารราคาหนึ่งกับอาหารราคาห้าสิบร้อยบาทมันก็ทําหน้าที่เหมือนกันทําให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้ตรอดรับความถี่ภายในร่างกายให้หายต่อให้อยู่อย่างสุดสบายได้เช่นเดียวกับเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อที่จับผาจากผ้าที่ริ้ว หรือเป็นเชื่อที่ตัดมาจากผ้าอัมการี่ละเอียดประดับเพชรประดับพลมันก็เป็นเพียงเชื่อผ้าพรไว้ปกปิดร่างกายเท่านั้นทำห น, น้าที่ได้เท่ากันคนฉลาดจึงไม่เสียเวลากับการมาดูแลร่างกายมากเกิมเทิม ดูแลตามความจำเป็นตามความต้องการของน่ า, ากงกายเห็่เรียกก็เป็นคนฉลาดคนที่ดูแลร่างกายแบบเกินเหตุเกินผลนี้เรียกว่าเป็นคนงงเป็นคนไม่ฉลาดใช้เวลาใช้ทรัพยากรไม่ไม่เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดการที่จะทาการจะใช้ทรัพยากร ใช้เวลาให้แต่ประโยชน์อย่างสูงสุดก็ต้องมาใช้กับการดับความทุกข์ท า, างใจพอามาใช้กับการให้ทานมารักษาสีมาภาวนาเัร น, นั้นถ้าเราเนื่องจากมีความสามารถมากหรือมีบุญมากแล้วเราสามารถ หาทรัพย์นืมทรัพย์ไน้มาเกินความจนเป็นต่อการใช้กับร่างกายก็อย่าเอาไปใช้กับการยืมยูติเหลสปัญหาขอให้เอามาใช้เพื่อบรรลความทุกข์ทางจิตใจด้วยการทำทานให้จนชื่อไปเลยทอย่างที่ทะเจ้าได้สกระทำ พระพุทธเจ้าทรงสลพระราชาสมบัติที่เรียกว่าคําทางเนี่ยเป็นที่การที่แสด็งออกจากพระราชาวังก็ไม่มีสมบัติสุดทางพระองค์ไปนะแต่ชิ้นเดียวนอกจากพระเครื้อผ้าพรที่ทรงสวมใส่การตามที่ไปเดินทางออกไปตามทางก็พบกับทาง ท, างที่ อยจะได้เสื้อผ้าพรที่พระองค์สวมส่ก็ เ, เลยขอแลกเปล่ยนกันพระองค์ก็ยังยินดีสลัดยินดีแลกเป่ยเราเสื้อผ้าพรของขอทานมาสงมส่เวลาเสื้อผ้าพรของพระราชาหมดไปน่แหละคือการกระทำที่จะผักดัน แห้ได้ปุสิการตักเชื้การเป็นพระอาหารหันต์ตักสัมมาสัมพุทธเจ้าการกระทําของขอัดขอทานนั้นเป็นการกระทําเพื่อให้ตจเยินไหวการเกิดต่อเพราะการกระทําของขอทานนั้นทําด้วยความโลภอยากหน้าของเสือเห น, นื่อยงามาพอขวามโงเพราแม่รู้ ว่าการกระทำอย่างนั้นเป็นการส่งเสริมเกิดปัญหาเป็นการส่งเสริมพบชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปแต่พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักการเป็นคนฉลาดทรงเห็นว่าการสละเสื้อผ้าอาพรในสวยงามนี้กเป็นการตัดทุกตัตด้าติตัดเลิดปัญหาให้น้อยลงไปไม่ทรงยึดตุด ก, กับของสวยสวยา ง, งาม ของราคาแพงๆทรงใช้ด้วยเหตุด้วยผลตามความเป็นไปนตามความต้องการของร่างกายเท่านั้นที่เป็นการประําที่พวกเราควรที่จะยึดมาเป็นตัวอย่างพวเราเป็นชาวพุวทธเรามีทุทธทางสรนะกระฉามนี้มีสามท า, า, างสรณะกระฉามนี้แล้วการปฏิบัติของเรานี้เป็นไปตาม พระพุทธพระธรรมพระทศาสนาหรือปล่าเรืองสวนกันแต่ก็ว่าพุทธทาสรงานศาสนาเนี่สังขารสรงานศาสนานีน้ยแต่การกระทํานี้เป็นไปในแนวเดียวกับการพูดของเราหรือเปล่าถ้าเราถือพระพุทธพระเจ้าพระอาริยสงฆ์สาวรักเป็นสานะัการกระทําของเราก็ต้องไปในแนวทางเดียวกัน แนวทางแห่งความเรียหง่ายแนวทางแห่งความนับน้องสำดุนับน้อยก็คือเอาเท่าที่จําเป็นไม่ต้องการมากไปกว่าความจําเป็นหรือถ้าไม่ได้ไม่ได้ตามที่ความเท่าที่จำเป็นก็เอาเท่าที่ได้คือยินดีตามมีตามเกิดเรียกว่าสำดุถ้าได้น้อยกว่าความจําเป็นก็ยัง ดีก็ไม่ได้เลยให้ทิกกับเนี้อถ้าไม่ได้เลยก็ถือว่าก็ก็แล้วไปถ้าจะต้องตายก็อย่างน้อยก็ตายด้วยการฆ่าดิเลตความมากมากก็จะไม่ทุกขเพราะความทุกข์ภายในใจก็จะมีน้อยลงไปแต่ถ้าตายด้วยความโลภาอย่างกมาก ตายแบบขุนเพตายด้วยการมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย น, นี่คือเรื่องของการตระนของชีวิตของพวกเราที่พวกเราควรที่จะพิจารณาอยู่ในเมืองถาตัวเองว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรอยู่เพราะเวลานี้เป็น เหมือนอาศรทิศเป็นเหมือนงูที่ามือเยื่อเข้าไปที่เราเลียงเทียนน้อเวลาก็เกินกินสับประสิงสับประสาททั้งหลายไปที่เราเลเทียน้อยชีวิตของเราตอนนี้ก็ถูกงูแห่งเวลาขมืออยู่ตั้ที่เราเลีเทียนน้อยตอนนี้ถึงท้องถึงหน้า อ, อกมีตัวเสียสละ อ, อย่าง ความเรียบขึ้นจะนานดูอยากให้คิดว่าเราอยู่อย่างอิสระเสียยอยู่ก็ได้อย่างยาวนานขอให้คิดว่าเหมือนกับเราได้ไปหาหมอมาเมื่อวานนี้แล้วหมอก็บอกว่าถุกเป็นโรคร้ายที่สองคนนี้มีเวลาเหลือไม่มากแล้วไม่มีใครทําอะไรให้ได้แล้วนอกจากเตรียมตัวเตรียมใจะ เรีนทำสิ่งที่ควรจะทำถ้าเป็นอย่างนี้นก็น่าจะทำบุญกันมากพอเข้าโรงพยาบาลนี้มีคนถวายผ้าบางสกุลกันเพเต็มนึงเรื่อเวลาตายไปแล้วซึ่งไม่เกิดประโยชน์แล้วทำตอนนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วสำหรับผู้ตายผู้ที่ได้รับประโยชน์คือผู้ที่ทำทำให้ผู้ตายแต่ผู้ตายไม่ได้รับประโยชน์ เพราเขาไม่ได้ทำนะประโยชน์จะต้องเกิดจากการกระทําของผู้นั้นเองไม่ใช่เกิดจากการกระทําของผู้อื่นถ้าจะได้ก็เพียงบุญที่เขาอุทิศให้ซึ่งถ้าเรามีบุญอยู่แล้วเราไม่เกิดประโยชน์ ด, ดีเพราะเัินอุทิศนี้ก็เป็นเงนเงินที่ให้ขอทางนดีๆนีน่ถ้าเรามีเงินติดตัวไปเวลาเราเดินทางไปเรามีเงิน ไม่สำหรับใช้สำหรับค่าเช้จ่างต่างๆเงนินที่อุทิศไปให้ก็ไม่มีควาหมายอะไรนะนอกจากว่าไม่มีเงินมาติดตัวเลยต้องไปขอค่าเข้าสิ่งเป็นขอทานถ้าอย่างนั้นเงินเงินที่ได้จากอุทิศบุญไปนะั้นก็จะได้ประโยชน์บ้างอย่าง น, นก็ช่วยให้เงินเงินซื้อค่าสิไ่ไต่างๆไปเป็นระยะะยะ อางที่หลวงตาสอนอยู่ด้วยว่าตอนเราตายแล้วอย่ามากุศลาให้เราเพราะคําว่ากุศลาก็คือความฉลาดให้ทําสร้างความฉลาดในขณะที่มีชีวิตอยู่ความฉลาดก็คือปัญญาการที่จะเกิดปัญญาได้ก็ต้องเกิดจากทางศีลทรมานี่ต้องทําทางาก่อแล้วก็รักษาศีล แล้วการเจริญสมรรกภาวนาแล้วถึงมาจเจริญวิปัสสนาภาวนาถึงจะได้กุศลคือคามฉลาดความฉลาดก็คือการมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิกจังทุกขังอนัตตาเห็นนาวิยาสักสีเห็นทุกข์สนิทภายใโลกมักภายในใจไม่ใชเห็นภายในนอกท่เห็นในหนังสือ เลยเห็นจากการได้ยินได้ฟังอย่างที่ได้ยินได้ฟังขนาดนี้ตรงนี้ยังไม่ได้เป็นการเหน็นที่แท้จิงจะต้องเห็นคทางใจเห็นเวลากเกิดทางที่ใจเศร้าสโสืซอใจว่าเกิดจากความอยากแล้วก็เห็นการดับของทางเศร้าโสกซีใจนี้ด้วยปัญญาปัญญาที่เห็นว่าสิ่งที่เราเศร้าสโศืซีใจด้วยนี้ เป็นเรื่องปกติของเขาทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วต้องมีดับไปเป็นธรมรมดาเมื่อเศ้าโศกเสียใจไปก็ไม่เกิดประโยู่อะไรไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งที่เกิดแล้วดับไปนี้นกลับคืนมาได้อีกถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะหยุดความอยากให้สิ่งที่เกิดแล้วดับไปนั้นกลับมาอีกเมื่อเห็นอย่างนั้น แล้วความหยุความอยากได้ความเศร้าโศกเสียใจก็จะหายไปมีคือการเห็นธรรมนี่คือกุดสลาธรรมนที่ให้ปฏิบัติกันเขาก็ให้มาถึงจุดนี้ด้วยให้มาเห็นถึงจุดของอริยสัจสิเห็นว่าความทุกข์ใจความไม่สบายใจเกิดขึ้นจจากความหลากอยากะจะให้สิ่งที่เกิดได้ ไม่เกิดไม่ให้ให้เกิดแล้วไม่ดแบบับเึ่นเป็นเป็นไปไม่ได้สิล้าก็ตามที่เกิดแล้วต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาและสิ่งที่เกิดแล้วดบับนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราคือคุศลธรรมาต้องทำตามตที่เรายังในชีวิตอยู่เช่นตอนนี้ ตานนี้เราก็กาลังม า, า, มาทำศิลาธรรมในเรื่องต้นคือมาฟังก่อนมาศึกษาก่อนเรียกว่าสุจริมนยปัญญาการฟังธรรมานี้จะทำให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดเป็นกุศลในระดับแรกที่จะทำให้เราได้ พุ่งไปสู่กิศลาอันดับที่สองและที่สามต่อัปกุศล า, าอันดับที่สองก็คือจิตามไม่ยัง้ยงยามก็คือการพิจิิิิิิิิิ่ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิงิิิอย่างิิงิิิิิิิิิิิิิิิิิ่ิิวิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ เ, เิิิ เป็นตรงกันำคาบกับความเป็นจริงฉ่นไม่ไปอยากให้เขาเที่ยงไม่อยากให้เขาสุดไม่อยากให้เขาเป็นของเราเพราะมันเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็ไพ่คทนทิจนาไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการเกือนใจสอนาจไว้ให้รับกับเหตุการณ์เวลาที่เหตุการณ์ความจริงที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็เรื่องของจริงตาไม่ยากอะไร ปัญญาสองคำนี้ยังไม่สามารถที่จะทำให้เกิดปุถุผลปุชลาที่แท้จริงได้ปุศลาที่แท้จริงนี้จะต้องเกิดในขณะที่ได้เชิญกับความจริงเวลาได้เชิญกับความดับความสิ่งที่เราไม่ต้องการให้หลับไปแล้วเกิดความทุกขขึ้นมาอย่างรุนแรงภายในจิตใจแล้วก็ใช้สติปัญญาที่ได้ ได้ฝึกได้ซ้อนมาจากการได้ยินได้ฟังและจากการใช้ควรที่ไดพิจารณาอยู่อย่างเงียงเงี่ง น, งนี้มาใช้กับเหการจริงมาสอนใจให้ยอมรับความจริงว่าสิ่งใดที่เกิดแล้วย่อมมีการดับไาเป็นธรรมดาพอใจยอมรับได้แล้วก็จะหยุดความอยากที่จะให้สิ่งที่ดับไปนั้นกลับคืนมา พอละความอยากได้ความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ใจที่เป็นอางก็จะก็จะรู้ขึ้นมาภายในใจว่าก็เรารู้แล้วเนาะเราฉลาดแล้วเนาเราเข้าใจแล้วเนาว่าคําสอนที่พระเจ้ดดาทรงสอนว่าทำทั้งหลายดีเกินย่อมมีแบบเป็นธรรมดาทำทั้งหลายเป็นทุกข์ รำทั้งหลายไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่ของหนี่คือจุดสลายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่ก็ต้องเริ่มที่การให้ทานถ้าให้ได้มากเทาา่าไก็จะมีเวลาปฏิบัติได้มากขึ้นทาน่านัถ้าให้ได้น้อก็สแสดงว่า ยังมีคามขุ่นขันอยู่กับการใช้เงินกับการหาเงินอยู่เวลาที่จะมาใช้กับการปฏิบัติก็จะหนีไม่ได้ถ้าอยากจะมีเวลาปฏิบัติอยา่างเต็มที่ก็ต้องให้อยา่างเต็มที่ไม่ใช้เงินใช้ทองไม่หาเงินหาทองต่อไปหาแต่ธรรมะเพียงอย่คงเดือ การสร้างประโยชน์ให้กับเราพอเราได้ปฏิบัติจนทำให้จิตใจของเราหยุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหล า, า, ายแล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะสอนให้เกิดจุดค้นตามได้สามารถสอนได้อย่างไม่มีไม่มีจำนวนจำกัดนอกจากเวลาเท่านั้นที่จะเป็น ตัวจำกัดว่าจะสอนได้มากน้อยเพียงไรอย่างที่พจะเจ้าเสวนบาเพ็ญก็ทรงสอนลันมสีรอบรอบบ่าก็สอนญาณิงยชละว่ะรอบขั้มกสอนพระภิกษุสามเณรรอบตึกสอนเทวดาตอนเช้ามืดก่อนที่จะทรงออกบินขบ่าก็ทรงรางยางานดู ว, ว่าจะไปสอนให้แก่ผู้ใดเป็นตอนในพิเศษ ในวันนั้นมีโครงการทำหน้าที่ทําประโยชน์ให้ต่อพื่อนของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงทําประโยชน์ของพระ อ, องค์ได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ทรงทําอยู่ถึงสี่สิบห้าปีด้วยกันประโยชน์ของพระ อ, องค์นั้นใช้เวลาเพียงหกปีทําเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาหลอกเรามา ว่าเราว่าเราเห็นจากตัวถ้าเราออกไปปฏิบัติเพื่อที่จะทำประโยชน์ของตัวเราเพราะว่าเมื่อเราทำประโยชน์ของเราเสรแล้วเราจะทำประโยชน์ให้แก่ผู้ได้มากกว่าขนาดที่เราทำประโยชน์ในขณะนี้ราประโยชน์ที่เราทำให้แก่ผู้ในขณะนี้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ที่แท้จริงถ้าเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์เพียงชัว่วคราว ช่วยเหลือให้ร่างกายของเขาของผู้อื่นได้อยู่ต่อไปได้ไม่ตายไปต่อเวลางสองคนหรือไม่เช่นั้นก็อาจจะไปสร้างโทษให้แก่ผู้ด้วยการทําประโยชน์ให้แก่จิตเหตุปัญหาของผู้อื่นอันนี้จงไม่ได้เป็นการช่วยเหลือกันอย่างแท้จริงก็งไม่ได้ช่วยทําให้จิตใจของผู้อืนั้น ม, มีทางทุกข์น้อยลงไปมีพบชาติน้อยลงไปเลย ก็จะส่งเสริมให้มีพบชาต์เพิ่มากขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าเราต้องช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ตอนนี้เราไม่ได้ช่วยให้เขาได้ได้ประโยชน์แท้จริงถาช่วยทางร้างการก็ช่วยให้ได้ประโยชน์เพียงชั่วคราให้ร้างการเขาจะได้อยู่ทุกต่อประโยชน์อยู่รับคำทางทุกต่อไป หรือถ้าไปช่วยทาตามที่งศักดิสัทธหาของเขาก็ยิ่งทําให้เขามีความทุกขเพิ่มมากขึ้นไปอีเ่นไม่การาพึ่งสามีไม่กล้าพึ่งภรรยาเพราะกลัวเขาจะเหงาหอยู่คนเดียวไม่ได้ทำนี้แหละเป็นการช่วยสร้างความทุกขให้กับการ อ, องเขาแม้แต่ช่วยให้ทุกข์ของเขาภายในน้อยลงต่อ ถ้าเราจากเขาไปในอันนี้อาจจะทำเขว่าจะต้องทําใจจับใจถ้าไม่มีไม่มีคู่ครองก็อยู่คนเดียวก็ได้ด ก, กอ็อยู่คนเดียวได้กับจะมีความทุกข์น้อยกว่ายกัมีคู่ครองเพราะว่าเวลามีคู่ครองก็จะเกิดทางหยาเวลาม่ได้ทำตามทางหยาก็าจะเกิดทางว้าเหเวเช่าซ่อ น, นหนหนเกิดทางทุกข์ใจขึน้น แต่ถ้าเขาก็ต้องอยู่คนเดียวเขาก็ต้องทําใจทําใจให้สงบเราทําใจให้สงกได้ทำเช้าช่วงน้อยยาวว้าวุ่ก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นการจากของเราไปจะกน้กลับเป็นประโยชน์กับเขาเสิถ้าเขาเป็นคนที่พอมีปัญญาบ้างหรือถ้าสุขเสียคนที่รักไปเขาก็ เดืดผ้าคนใหม่แล้วก็ผลโทษของการมีคนรักมีผู้รักว่ามันชุกมากก่ามีสุขเขาก็จะเขิดหลับไม่กล้ามีคนใหม่แล้วเขาก็จะน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาทําใจให้สงบมันมจริญอัตถิภะสมถารเพื่อทําให้เกิดความเบื่องงานในรูปร่างหน้าตาของร่างกาย ก็จะทำให้ดับราคากัญชาได้ก็อยู่ธรรเดียร์ได้เป็นสได้ดังนั้นการจาบของเราไปผู้คังเกินน้นเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เขาเขามากกว่าเพราะถ้าเราไม่จากเขาไปก็จะไม่มีเหตุให้เขาต้องแก้ปัญหาทางที่มีคาพูดว่าถ้าชุบมอมีกัญญาบอกเกิด เราถ้าไม่มีความทุกก็จะไม่ใช้สติปัญญามาแก้ไขความทุกข์ของเัาเรามีความทุกข์ก็จะต้องหาปัญญาเพราะถ้าได้ปัญญาปัญญานี่แหละจะเป็นตัวที่ระดับทางทุกข์ของเราปัญญาที่เห็นอนิจจังทุกขังนักจานี้แหละถ้ว่ามีเกิดย่อมมีอหับเป็นธรรมดาถ้าไปยึดไปติดกับสิ่งที่ มีกลุ่มีแบบก็จะต้องคิดนี่คือให้คิดแบบนี้แล้วเราก็จะทำแบบพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงคิดแบบนี้ทรงคิดว่าตารที่พระองค์จากพระไปเขาจะได้คิดใจเขาจะได้ทำใจแล้วหลังจากที่เรได้บรรูนะ้แล้วพ่องค์ก็ได้กลมาช่ยวยเหมือเขาเพื่อให้ได้ไประโยชน์ คือผู้ออกบวชตามพระเจ้าเป็นจําเด่มากในบรรดาพระยาสงฆ์ลูกก็ได้บวชเป็นพระอรหันต์แมก็ได้บวชพอก็ได้บรรลุธรพะยาก็ได้บวชเจ้าชายข้าพระองค์ก็ได้บนนี้เนีย่ การทำประโยชน์ของตนและของผู้ให้ถึงข้อไม่ทางไม่ตรงหนักต้องเริ่มต้นตรงที่ความไม่ตรงหนักนต้องสมมติว่าเราได้ไปหาหมอม า, มาเมือ่อวานนี้และหมอบอกว่าคุณอาจจะตายวันนี้หรือคุณนี้ก็ได้แต่วันนี้หมอคนนี้จะบอกให้ก็ได้ว่าคุณอาจจะตายวันนี้หรือคุณนี้ก็ได้เพราะไม่มีใครรั บ, บรองได้ ถ้าเราคิดอย่างนี้นะ้วเราจะได้ยีด ท, ทาประโยชน์ของตนแล้โอกาสที่จะได้ทําประโยชน์อย่างนี้ก็ไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆการที่จะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระอานนท์กษัตริย์พระหลายไม่ใช่เป็นทางได้ถ้ามาเกิดแล้ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสน า, าไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้า ไม่ได้พบกับพ ร, ระอานาจสาวกก็จะไม่มีภาษาเรื่องประโยชน์ของจไม่รู้ภาษาเรื่องประโยชน์ของร่างกายและประโยชน์ของเกลือัญหาเกก็จะเพิ่มความทุกเพิ่มการเรียนร่าการเกิดให้มี่งเพ่มมากขึ้นแต่เรื่ยๆเพราะครั้งต่อไปการประกบของพระพุทธสานั้นยังต้องใช้เวลาอีกอยาวา พระพุทธศาสนาแตาที่ปรากฏี้รื้อยปรกขึ้นมาอย่างต่อให้ทุกข้าร้อยทุกขังมันเป็นจับด้วยกันกว่าจะปขึ้นมาทนใรหว่างจาบนี้เราก็ต้องเงกกีนรู้การเกิดแบบนักไม่เชื่อเราพอเรามาเจอมาเจอพระพุทธศานาถ้าเป็นรัทธศาสนา เราก็อาจจะเป็นเหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่ในนี้พบกระเทานั้นเหมือนจะตื่นเต้นดีๆแต่อย่างใดเพบาะก็ยังนำานวแบบเดิมอยู่ก็ยังดูแลร่างตายดูแลแก้ปัหาเหมนเดิมอยู่ถ้าอย่างนี้ก็ชื่อได้นะไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ถ้าได้พบ แล้วได้ก็เป็นแบบอย่างพระอวันภาษาวล่นข้างหลังอย่างพระพุทธเจ้าถ้าถือว่าเป็นบุญเป็นรากฐานแสดงว่ามีบุญบาลมีมาว่ามีปัญญาบาลมีเห็นคุณประโยชน์ของพระพุทธศาสนาเห็นคุณประโยชน์ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นคุณประโยชน์ของพระพุทธเจ้าและพระอวันภาษาเล่นข้างหลังวาเป็นวัตถุ เป็นของที่เล่าที่ประสบที่มีคุณค่ายิ่งกว่าเทปคอยของมีค่าต่างๆทั้งหลายที่มีในโ่กนี้ใหียเราจะมีคุณค่าเท่ากับพระพุทธทระธรรสเราจเรียกคระพระธรรมพระสงว่าพ่ารักพรามณ์แก้วสามดวงอันเี้เป็นของเลิาของเสริฐที่พวกเราควนที่จะจุ ความเข้าใจของเราให้เกิดขึ้นแลวไม่มีอะไรจะเลื่อนข้ากับพระที่รรมพระสงฆ์เราควรที่จะน้อมนำพระพุทธธรรมพระสง้อก็มาสือใจของเราให้ได้ถ้าถ้าเรามีพระทธธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจของเราเราจะมีความสเราจะไม่ดูขาดทุกข์อยู่ภายในใจของเราเราไม่ต้องมาเรียนว่าเรเกิด รู้กับวารแจกความเกิดทางตายรท้กับการทักท่จากสิ่งที่รักคนที่รักแเราจะมีแต่ปรมาสิบครั้งอยู่ตลอดเวลาเราจะเข้าใจความประที่ทรงจับได้ว่านักศึกษาศึกระวังศึทษาไม่มีความสึกอันใดในโลกนี้ที่จะยืนเท่ากับความสึกที่เกิดจากความทรงจับ ใจจะสงสัยว่าก็ต้องมีข้อพิสูจน์ข้อสงสอยู่ายจังนั้นหน้าที่ของเราเราต้องนพระูจนข้อสงสัเข้ามาด้วยการปฏิบัติการข้อพสอนของพระพุทธเจ้าโอชนาวิโกน้อมเข้ามาด้วยการปฏิบัติสุสติธมโยชิอุติปฏิธรมยยายาปฏิธรม ก็มีสิ่งปฏิบัติงานปฏิบัตัตรดูปฏิบัติจองปฏิบักเพื่อความดับทุกข์ปฏิบัติชอบมีเกณฑ์วิสูของการร้่าเอาพาะัรรมคำสอนน้อมเราพระพุทว่รสงฆ์เข้ามาภายในใจของรต้องน้องด้วยการปฏิบัติดูปฏิบัติจองปฏิบัติดูเช่นพรบ ปฏิบอย่างต็มที่ก็ปฏิบัอย่างถูกต้องการจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเนครัก็ต้องมีพระธรรมคาสอนเป็นผู้นาทางหรือมีพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหนันต์ระสาวเป็นผู้นาทางการที่เราจะมีพระพุทธธรรมพราสเป็นผู้นำทางเราก็ต้องไปอยู่ที่มีพระพุทธธรรมพสง ท่นก็ทำท่านสอนทอยู่ที่หท่านก็นอยู่ตามสถานที่สงบงยะรี้ย อ, อยู่ามป่าตามเขาไม่ได้อยู่ตามที่มีแสงสีเสีย ง, ย ง, ย ง, ยง ม, ม้วนรวกกท่านอยู่ารต่าตามขานั่นคือที่อยู่ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าเอาอย่าทั้งหลายนะครับวัดที่งต้องเป็นรับดอกที่ พระพุทธเจ้าและพระอัมร์ประชาัฐทั้งหายอยูวที่อยู่ที่วันนี้นนนข้าเรี่ยเพว่าก็เพียงชื่อเ่นเองแต่ชาัของความจำรักนี้ัไม่ดีเลพามันไม่มีควางดิเวทไม่ีความสมรุลไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติงรรมไม่มการเจลินา์สีห ขอเวลาลองพยายามทหน้าที่ที่ควรจะทําก่อนคือประโยชน์ของตนคือประโยชน์ทางใจก่อนทําให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นก่อนแล้วการที่เราได้บพบกับพระพุทธเจานน้าเนมาก็จะได้ไม่เสีย ไม่เสียประโยชน์เราจะได้ไม่เสียค่าเกิดไม่ได้เสียสิ่งที่มีคุณประโยชนที่เราคุณจะได้มาต่าแล้ว ก, วการเรียนร่างการเกิดของเราก็จะขึ้นไแล้วเราก็จะได้พบกับพ่อพระเจ้าพบกับพระานางจารุทีงหลาที่ได้นำเงินไปถึงก่อนเราแล้ว เราก็จะเดินไปถึงจุดหมายปทางอันเดียวกันอย่างแน่นอนไม่้เนหยุดการตัดเวลาไปถึงต่อนไปถึงหนึ่งถึงวลาก็ถือว่าถึงเหมือนกันพราะฉะนั้นขอให้เราเร่งทําเพียรเร่งวิริยะเร่งศรัทธาเร่งสติเร่งสมาธิเร่งปัญญาต่างยไปเสีเวลากับการหางิน หาคล้อหาลาบหาโยกหาขยุกเสียงหาคามสุขงการเหมวใจหนักทุก่าก็เป็นการเดนสวมทางกับทางที่ก็จะก้าวแล้ก um, ็ทางหลับจสอนท้งหลายได้ยังไงกันก็ขอฝากให้พกเราทุกพยายามทุกเวาเห็ความเสียงของร่างกายของเราเีขนเรื่อยูีขึอนเรล ที่พระพุทเจ้าได้อสอนพระอนุนว่านวนวันหนึงน่งเธอได้ทิจเจนาทางใจก็่ครั้งพระอนุนก็ตอบว่าประมาณสี 5, ่ห้าครั้งดีกว่าพระพุทธเจ้าคงจว่าเธอยังต้องตั้ ง, งอยู่ในทางสมาธิถ้าเธอไม่อยากจะตั้งอยู่ในทางขมาธิเธอจะต้องทิจนทางตจชุดเวเขาออ้าเพราะถ้าธเธอทิจนาแล้วเธอจะได้ ไม่ยืดหยุ่นใจจะได้ยืขผอคํามท้ติดความแขงความยืให้จบสุดใจก่อนที่จะจบเวลาก่อนที่จะไม่มีโอกาสามไม่ถานก็อขอกาเรื่องของการอ่ารการเส่อมรเรื่องของการเวลาเพื่อสงบใจปลดปล่ให้ท่านได้นำมาไป ที่จะมาเพื่อจะได้จัดสัมภาษณ์ปฏิบัินริยะขนาดระยะเวลาสั้นการแสดก็เห็นว่าผมเตรียมเวลาก็ขอรู้สึกได้ถึงคี้ เสดาวันนี้ฝนตกทำเพลงโดยคกามใจไม่ค่อยไ้อพรสกท่าไห่ามีเสียงว่าโคงหน้าแต่ถ้าตั้งใจทํงจริงๆก็หนาก็น่าจะไดาปจะโยอยู่เรื่องตัวดีก็ได้เพาะ้องเ้อามันทาให้ตั้งใจฟังจีๆเพมันฟังยากแต่ถ้าคนที่ที่เสียบฟังอยู่แล้วก็อาจจะถือว่าฟังยากไม่ฟังเลย จ ะ, จะเป็นอย่างไ ร, งไ ร, รก็อเอาคิแารนาดูก็แล้วันมีใครมาถามอะไรไนหะ ทำไมไม่ได้ทำไมถึงหัวก the ันไม่ได well ้ไม่ลองวิทราะห์อยู่บ้ปัญหาอยู่ใน้ววิเคราะกันได้ทําไมปัญหาของเราก็ไมเราวิเคราะห์กันไม่ได้ทําไมเราหัวไม่ได้ทําเราทุ่มเทเวลาของเราให้กับการปฏิบัติอย่างโยมไม่ได้ทำไมคนอื่นเขาทาได้ ถ้าเราไม่มีความันก็จะไม่ไม่ได้คาตอมันก็จะไม่ได้แก้ปัญหาปัญหาขอพวกเราตอน้อยู่ไหนก็อยู่ตรงที่ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัตินะ้อยปฏิบัติไม่มา ก, กับปฏิบัติแม่เต็มที่ยังเป็นมือสนับเล่นทำไมไม่เป็นมือชี้บ้างมือชี้นี้เขาไลา่มืออไรายได้ดีวกว่มามือสนับเล่น เมื่อชีวิต่ได้วจะเยน่าความร้สเนทาไมไม่เอาทางไมไม่เอามากของที่พแยไเอามาะไรกอยู่าาขข ก, กันเอาราบยองกรเสงเอาความเสียจ้าตาโหนจมูกในใจแล้วได้มาแล้วเป็นย่างันำนำความทุกขภายในใจของเราได้หรือเปล่าหลับความวิตกกังวลได้หรือเปล่า ดับความหวาดตัวได้ไหรืป่ดับความอิดฉาลิสยาได้ไหรือป่ดับความเศร้าโศกเสียใจได้ไหรือเป่าดับความ ว, าวอมออ้าเหว่เข้าวลอยห้อยเหว่ได้ไหรือเป่าทำไมไม่พิจารณากันเลยว่าเรากำลังกิญญาผิดานัดหรือเปล่าแานที่จะกินยาที่จะมารักษาโกคใจเรา เรากลับไปกิญยาที่ทำให้มีโลกใจของเรากับกำเริกเพิ่มมากขึ้นไปไม่คิาไม่คิดกางานกัไม่ผุดสลา ส, า ส, าสาินะท่แบบนี้เรียกว่าผุดสลาคิดว่าทำไมต้องวิจเจ้าถึงน่กสลานาสะสมัติทำไมต้องสราราเนื้อ สารเสรื่อมสุดทางตาหตูจมูกหูจามาทําไมไม่เจริญราบรื่นสเสื่อมสู่ตาไปเป็นสุดตาจะได้เป็นสุนขภามาหาจักรพรรดิด้วยกันต้องมีการพยากรณ์ยาเล่าตอนที่ประสุนออกมาว่ามีสองแนวทางด้วยกันถ้าอยู่ทางโลกก็จะได้เป็นข้ามาหาจักรพรรด ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระศาสดาเป็นพระอาหารกับสามาสุพุทธเจ้ามีความิวอองเดียวยูเดียวที่ทานายว่าจะต้องออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าเพียงหนึงเดียวนั่นก็คือท่านอญยางโกลทันยนนาพระอริยะสงสารองค์ออแรกของพระพุทธศาสนาตอนนั้นท่านก็เป็นหมอดวูลองทำนายตามเหรอ ของการพยากรณ์ว่าจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งาหมอดูคนหน่งก็ทรงทํา ง, งานว่าเป็นสองทางด้วยกันแล้วก็เป็นอย่างที่อั ญ, ญาางานณโงนัญานได้พยากรณต้องเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ทรงมีความพระพค่าปัญญามีกุศลาที่แฝงทรงมองทะลุเห็นความชุกใน่ราดยึกถสงรัศมีทรงมอง เห็นความทุกข์ที่ถูกความสุขของราบยอดสรรเสริญของรูกเสียงกเกลื่อนลดปกติเอาไวุ้ชนทั้งหลายนี้มองไม่เห็นความทุกข์ที่ถูกความสุขของราบยอดสรรเสริญของรูปเสียงเกล่นลดพุ่งผอมเึงหลงกับราบยอดสรรเสริญอย่างถอนตัวไม่ถูกที่นั่นะปัทำลาองพวกเรา เรามองไม่เห็นความทุกขในลาบยุจเปเสื่อในมือเสี่อเกิดตกตะาเพราะเรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงกันหรือเราไม่ยอมมองกันถ้ามองมันต้องเห็นสุดต้องมันีมนไม่เที่ยงอยู่ยลอดเวลามันได้มาปั๊บมันก็หายไปได้ความสุขใจลาบมาปั๊บก็หายไปแล้ได้ความสุขใจ ยศจากการสรรเสริญจากลูกศิษย์เห็นว่าพอได้มาปั๊บมันก็หายไต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆการที่จะต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆก็แสดงว่ามันหมดไปแล้วไปเที่ยววันนี้ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยววันนี้มันก็หมดไปแล้วพุ่งนี้ก็ต้องไปเที่ยวใหม่ไม่เห็นกับไม่พิจารณาเลยและเวลาไม่ได้เที่ยวกั็นยังไง มันสุกเหมือนเดิมหรือเปล่าสุกเหมืนอนการไปเที่ยวหรือเป่าถ้ามันเป็นของจีนมันก็ต้องสุกไปตลอดไปเที่ยวหันเดียวมันไม่ต้องสุกไปตลอดไม่ต้องไปเที่ยวไหนให้เสียเวลาพอไม่ได้เที่ยวครับทีนี้ก็ทุกขึ้นมาอีากทีแทนที่จะใช้ปัญญาใช้กุศลารัชชะนารวาออกีกและความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราไปแสวงหาความสุขทางรูปเสียงกลิก่นทางราบรูปเส้นวเศ มันทุกข์อย่างนี้มันทุกข์ตอนที่ว่าตอนที่เราไม่ได้เสกได้สัมรัสถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะได้เบื่อนายกับความทุกข์แบบนี้เบื่อนายกับความสุดที่หลอกลวงให้วิ่งเข้าหาความสุกความสุดนี้เป็นเหมือนเหยืที่ติดอยู่กลายเด็ดอูน่นี่ตัวความทุกข์ก็คือตัวเด็ก น, นี่ พอปาไปพุกเหยื่อเข้าปั๊บก็ถูกส ะ, ะ ท, ท้อนเด็กเกี่ยวตาทันทีถ้าผู้ใดไปพุกลากยุศเสน่ห์ไปพุกปลาสุกทางตาหงจำนวนนุ่นกายก็ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีจะติด ท, ทันือถอนตัวออกเวลาเวลาใดที่จะต้องถอนตัวออกเวลาใดที่ไม่ได้เสร็จเวลานั้นจะพุกพลานาจางเป็นอ่างไรแทนที่จะถอนแทนที่จะยอมทุกข เพื่อที่จะได้หายทุกข์กับไปเพิ่มความทุกข์เพิ่มด้วยการไปเสพเพิ่มต่อไปเรื่อยๆถ้าอยากจะหายจากความทุกข์ที่เกิดจากการติดอยู่กับนาบมุสลิมเสร็จก็ต้องยอมทนทุกข์กับการถอนตัวออกจากนาบมุสลิมเสร็จนี่ก็ต้องถอนด้วยการภาวนาด้วยทานด้วยศีลเนี่ มันเจ็บอย่างมากก็ไม่เกิเจ็ดปีอย่างที่พู้เจ้าสังได้ทำใจแล้ความจริงมันจะเจ็บ ม, มากๆที่สุดก็ตอนที่ออกบวชตอนที่ตัดสินใจออกบวชตอนนั้นแหะเป็นตอนที่ทรมานใจที่สุดตอนที่จะต้องสละลาบเลือดสละเสียงสละสรูปเสียงจึงจะไปให้หมดแต่พอตัดสินใจแล้วแล้วมันโล่งขึ้นเลยอนมันโล่งมันเบาล มันสบายเลยทีนี้ก็ไปทุกขกับการต่อสู้กับความอยากที่จะกลับไปหาราดุสสเสร็จแต่อย่างน้อยเราได้เราได้จัดตัดมันไปส่วนใหญ่แล้วเป็นการได้ออกจากมันมาแล้วทีนี้เพียงแต่ต่อสู้กับความอยากที่ยังมีลงหลงหลอผีแทนใจให้กลับไป ถ้าทุกครั้งเราสอนว่ากลับไปแล้วก็กลับไปหาขอเบ็ดเลยะไปหาเบ็ดถ้า ก, กลับไปทางานกลับไปหาทางทุกข์เถ้าทุกครั้งเราคิดได้อย่างนี้มันก็จะไม่กล้ากลับแล้วถ้าเราเล่นความเพียทำให้เกิดผลจากการปฏิบัติแล้วจะยิ่งมีพลังที่จะต่อสู้กับความอยากที่จะกลับไปหาราบยศสัมฤทสุด ปฏิบัติได้ผลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะลดละความอยากที่จะกลับไปหาความสุขนั้นจดยในที่สุดจะไม่มีร่องเหลืออยู่ภายในใจไม่ใครคิดถึงมันเลยดูถ้าคิดถึงมันก็คิดด้วยความขยะดตัวเสีย ม, มากกว่าไม่คิดด้วยความขึ้นโฉขขึ้นสว่างแต่งดางถ้าคิดทีไรก็โอ้ไม่เอาแล้วถอยไม่สู้แล้วไม่ไหวแล้ว เป็นคนที่เขากำลังหาแสวงหากันอยู่แล้วตกสงสารของไม่ได้เห็นแม้ว่าเขาจะร่ำรวยมีระดับเป็นมหาเศษฐีเงิน ล, าล้านแสนล้านก็รู้ว่าใจาของเขาไม่ไ ม, มีความสุขหมือนจากงเราเพราเราผ่านมาแล้วเราหยุดจากบวงมาแล้วเราหยุดจากเด็กที่เกี่ยวปากเลยนะพวกที่ยัง ติดอยู่กับราบยศสารเสแสมก็ยังมีแดดเกี่ยวปากตีดยังมีความทุกความรุ่นวายใจนี้ใจที่เราเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามตัดให้ได้ออกบวชให้ได้อยากไปคิดว่าปฏิบัติแบบพราหมณนี้ดีดีในระดับหนึ่งแต่สรุปการหลอย เราก็คอยคิดอย่างนั้นมาก่อนตอนที่เราเป็นฆลาวาเราก็ไม่อยากประโยชน์นรแต่เราบุญว่าขนาความจนบนตบังคับมันไม่มีงเงินเหลือแล้วมันต้องบวดเพียงอย่างเดียวถึงจะได้ปฏิบัติเพราะเราไม่อยากจะกลับไปทำงานนะี้ไม่อยากจะวุ่นวายกับการหาเงินกับการใช้ ง, งนแะล้มันก็เลยต้องบวด ในใจก็เคยคิดอยู่แล้วนะถ้าเรามีสักแสนสักล้านหนเราคงจะปฏิบัติต่อไปได้แต่มันจะปฏิบัติแบบกระท่อนกระแทกมันจะไม่ได้เป็นไได้เป็นเกาะเป็นกลเพราะมันไม่มีสังคมไม่มีผู้นำไม่มีตัวอย่างที่ที่ดีที่เลี่ยนกว่าเราที่จะคอยชุดลากเราต่ไปแต่พอได้ดู้แล้วก็ได้เข้าสังคมของผู้ที่มีกุศลามากกว่าเรา มีสติปัญญามีความารู้ความสามารถมากกว่ามีคนที่ปฏิบัติเก่งกว่ามันก็ทำให้เราต้องถักนนตัวเรา etzen, ให้เก่งเข้าขาให้ได้เขาทำอย่างไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นให้ได้เช่นไปบินธบาติที่วัาปามันตากลองไปบินธบาติดูถ้าไม่จะเป็นนักหนึ่งมาสู่กองไม่ได้ทำไมนั้นทางก็ไม่ได้รับยา ทางจะลุกล้ำนี่หน้าหนาวนี่หงอยๆเดินเหยียดก้อนน้ำแข็ ง, ง, ง, ง, งแต่เขาทําด้านเราก็ต้องทําได้กูบาจาย์ท่านทําเราก็ต้องทำํำกูบาจางท่านเดินเร็วเราก็ต้องเร็วกว่าท่าน mm hmm. นจําวัดนี่ต้องกลับกลับถึงมา ก, ก่อนกูบาจางไม่ใช่กูบาจางจะนั่งรอันนี้แะเป็น การดึงเราการปฏิบัติของท่านเป็การดึงเร า, า, รเราให้เราเหยียบคันเร่งให้เต็มสุดเลยถ้าเราปฏิบัติของเราเราก็อาจจะเหยียบแค่ขึ้นเดียวพอไปอของปากของพอเราถือว่าเวลาทำํทำทางเพียงมากแล้วพอไปอยู่กูบาราจาน์นี่หรอท่านเหยียบคันเร่งสุดเลยถ้าเราท่าเร่งสุดก็ไม่ทันท่านเหี้ยถึง เรียกว่าการไปอยู่วัดการไปปฏิบัติการไปด่วนเนี่ยจะเป็นการส่งเสริมเป็นการฝึกนันให้ราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วนักตระยามมองเห็นโทษเห็นทุกข์ของาราภยุสธเสริญเห็นสุขโทษของความสุขทางตาหึงจดมูนกมนิ่งใจว่ามันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นทุกข์ ก็คอยเจออยู่เรื่อยๆก็มันไม่ใช่เป็นสมบัติของเรามันจะไม่อยู่กับเราในตลวเราเวลาเราตายไปร่างกายนิทราไปเราไม่เอาเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่สมบัติทางใจนี้นัรคผลนิทานเป็นของเราทั้งหมดเลยไม่ว่าเราจะได้ในระดับไหนถ้าเราตายไงเราก็เอาไปได้เลยอันนี้เป็นของเรา เป็นลาบยศสมรสสุดที the the the ่แท้จริงลาบมีสมรสสุดของมรรคผลนิพพานนี่ของทํางใจก็คือมารคผลนิพพานนี่เอาตรงนี้อยากไปเอาอย่างอื่นอย่างอื่นเป็นข้งลองเป็นเหมือนฟองนะของต่างๆในโลกนี้เป็นเหมือนฟองนะเดี๋ยวมันก็แตกไปแตกก็เดี๋ยวฟองใหม่ก็โบขึ้นมาพอจะฟองนี้แตกก็ไปหาฟองใหม่พอฟองใหม่จากจะหาฟอง ทามือไปเรื่อยๆมันก็กไปเรื่อยๆเพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่มีสาระมีคุณประโยชน์กับใจเลยมีแต่จะให้ทําทุกข์ให้ให้โทษกับจิตใจๆๆๆยังให้มองเห็นคุณค่าของมรรคผลนิพพานว่าเป็นเป็นเพชรอ็นนี้เป็นเพชรยืนจินดาเป็นของมูค่าที่แท้จริง ถ้าเรามองอย่างนี one one one ้แล้วรับรองได้ว่าเราจะทิ้รากเที่สรัเสริญทึ้งความสุขทางใจหูจมูกมือการได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ภาษาโลกท่านทั้งหลายทิ้งไปเพราะท่านเห็นอย่างนี้ท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่ที่งเพราะเราไปควบคุมมังรับภาษานไม่ได้จะให้มันอยู่กับเราไปสนองไปจลาลอกเวลาไม่ได้ต้องมีรังเวลาที่ ไม่เขาหรืเราจะต้องมีการจากกันไปอย่รหรต้องทิดอย่างนี้ต้องพยายามศึกษาเจะเรียศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าของพระองค์แต่สาวกอยู่เรื่อยๆศึกษาแนวทางดําเนินของท่านอยู่เรื่อยๆเพื่อที่มีรอยพระบาทให้กับนี้ก็เพื่อที่จะาให้เราเ ร, รียนรู้ถึงทางเดิน องท่านไม่ใช่ให้กาเพื่อให้ล่ำให้รวยขึ้นให้เจริญในราบยศสารเสริมเพิ่มมากขึ้นให้เราเรียเร็้ถึงวิถีชีวิตของท่านว่าท่านเป็นดาเนินมาอย่างไรตอนต้นท่านก็เป็นคารวะเหมือนเราต่อมาท่านก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์ท่านก็เลยสละสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วก็มุง่งไปหาสิ่งที่เป็นสุกดิ์ละ ละยกเสริสมเสริมชละความสึกทางการหุ้นจมูกขึ้นจางแล้วก็ออกบุปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผลนิพพานการนี่คือคาการกราบหลวงพ่อบาตหรือการกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้กราบนี้ทุกครั้งที่เรากราบพระพุพาทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้รับคิดถึงเรื่องของท่านเรื่องของวิถีชีวิตของท่านว่าท่านดำเนินชีวิตอย่างไรแล้วท่านได้ไประโยชน์อย่างไร ถ้าเรากราบพลาอย่างนี้เราจะได้รับปิดถ้าเรากราบเราขอให้สามีอยู่เป็นอางามขอให้ลูกอยู่เป็นอางามขอให้ภรรยาอยู่เป็นอางามขอให้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทางอยู่เป็นอางามถ้ากราบแบบนี้ก็กราบไปเสียเวลาไปไกลเพราะว่ามันไม่ได้เกิดตามที่เรากราบขอเปย่างใดของทุกอย่างในเรื่องนี้มันต้องเสื่อมตามไม่เช้าก็เลย ไม่มีใครยับยั้งมันได้เพราะนั้นอย่าไปกลัวความเสีย่ยงความเสี่ยง น, นี้เป็นเรื่องปกติของขอ ง, ของโลกของโลกของโลกของธาตุสิ่งมีน้ามุมใส่ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทำมาจากสิ่งน้ามุมใส่และจะต้องมีการแยกแยกออกจากกันไป ท่าดินน้ำลงไทยจะอยู่ด้วยกันไม่ถาวรเมื่อมีพลังที่ดึงให้มารวมกันก็มารวมกันมาปรากฏให้เป็นสิ่งของต่างๆพอพลังที่ดึงว่าหมดกำลังพลังที่จะดึงให้แยกออกจากกันก็จะดึงใหาแยกเช่นร่างกายของเราควางที่เกิดใหม่ก็พลังดึงให้ท่าก็มารวมกั น, นมีกำลังมากกว่า พลังของที่จะเดินที่จะแยกท่าให้แยกออกจากกันแต่พออยู่เป็นนานๆเขา้าพลังที่จะเดินให้รวมอยู่ด้วยกันนี้ก็จะ อ, อ่อนลงไปอ่ อ, อนลงไปพลังที่จะเดินให้แยกก็จะมีกำลังมากขึ้นไปมากขึ้นไปจนในที่สุดม า, างกายนี้ก็จะต้องแยกสภาพการสรสภาพไปแยกออกจากกันไปตามทางของทาพทั้งสี่ ดังนั้นอยากไปวิจัยคของเรื่องความเสีย่ยงในโลกนี้มันมีความเสี่ยงเป็นธรรมชาติหรือแล่าถ้ายังมีเรื่องของบาปมาผสมด้วยเรื่องของวิบากรรมที่เราทำไว้บาปกรรมที่เราทำไว้ก็เป็นเหตุที่ทำให้ชีวิตเราเสีย่ยงชีวิตเราตกต่าได้เช่นเดียวกันแล้วเมื่อทามาแล้วในอดีตเราก็ย้อนกลับไปแก้มันไม่ได้มันก็ต้องรอรับผลที่จะเกิดขึ้น จะไปทำมูลสระเคราะอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะประยัดยั้งความเสื่อมของทั้งของของทั้งสองส่วนนี้ไนดะ้ความเสื่อมเพราะบาปกรรมหรือความเสื่อมทอดเป็นธรรมดาของโลกมันจะต้องเป็นของมันไปผู้ที่มีปัญญาจึงไม่มีจกไม่กังวลกับเรื่องรเหล่านี้เพราะผู้ที่เพราะผู้ที่รู้นี้ไม่ได้เสื่อมไปกับความเสื่อมของสิ่งต่างๆนั่อ ใจของเราไม่ได้เสี่อมไปกับราบยศนรสเสถียไม่ได้เสี่อมไปกับรูปถึงเก่งวุคุปปพผะใจของเรายังเป็นอย่างไรก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ใจของเราจะเจริญหรือเสี่อมขึ้นอยู่กับกิเลสกับธรรมเท่านั้นถ้ามีกิเลสมา ก, ก็จะเสื่อมมากถ้ามีธรรมมากก็จะเจริญมาก ดังนั้นเรามีที่ที่เราจะแก้ความเสียอมได้สร้างความเจริญได้ต้องมาสร้างความเจริญในใจเราแก้ความเสื่อภายในใจเราส่วนความเสื่อมของโลกนี้เราไปแก้ไม่ได้ความเสื่อมของโลกต้องเป็นปัการธรรมดาทัางๆแต่เราอยู่กับเขาได้เราไม่เดือดร้อนกับเขาได้กว่าให้้องเสื่อมปกว่าให้เขาหมดไป เราไม่เสื่อมเสียอย่างไปกลัวอะไรนี่คือผู้ที่มีกิตติสามีปัญญาจะเห็นอย่างนจะแยกใจออกจากทุกสิ่งที่อย่างจะรู้ว่าใจนี้ไม่เสื่อมไปจากทุกสิ่งทุกอย่างถ้เสื่อมก็เสื่อมเพราะกิเลสตัณหาเท่านั้นที่ทำให้เสื่ถ้ากําจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปได้แล้วก็จะไม่มีความเสื่อมอยู่ในใจเรา จะมีแต่ความสุขความเจริญความมังสุขขังอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละเป็นประโยชน์ที่เราได้รับจากการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าไมนพบกับพระพุทธศาสนา น, นจะไม่มีวันที่จะไม่รู้ความจริ น, นี้พระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นศาสนาที่แท้จริงเป็นศาสนาที่นําพาให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากคามทุกข์อย่างแท้จริง ได้ความได้พบกับความสุดย่างแท้จริงไม่มีศาสนาใดในโลกนี้ที่สามารถทําได้เหมือนกับพระพุทธศาสนาึงขอให้พวกเรามีทางแน่วแน่มั่นคงมีศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงกับพระพุทธศาสนาแล้พยายามปฏิบัติการให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อประโยชน์อันสูงสุดที่จะตามมาในอนาคต ตอนนี้จะให้ถวายของกรรมรต้องการงเติมกก็มาไดามษษษษษษษ้มีกุ่งเรืองมีสุชามีซีดีวดีโอตเป็นของเก่นะาแล้วเป็นแจ้์ครับพอดีวันที่สามสิบเป็นวันสิ้นของดวงตาครับคณะศิษย์ทั้งหมดกราบน้อมถวาย ท่านาจารย์เปื่อึงีดวงตาทุกคนไม่ต้องให้ท่านแล้วอ่ะท่านเป็นห่วงเรามากกว่าเราเราไม่ต้องไปห่วงท่านอ่ท่านหายห่วงแล้วไอเรายังมีห่วงอยู่อ่ะกับคนไม่ไม่บุญคุณดวงตาท่านไปทำกุศลอยูก็ว่าไปอย่างแต่อย่าไปกุศลาให้ท่านเลยไม่ได้กุศลาให้เราที่เราทาเพื่อเราไม่ได้ทาเพื่อดวงตาขอย่าง อาท่าเนาาเองนะฮะสวยชีแล้วเพื่นขอทานเเรายังเป็นขอทานเนี่ยทีนี้ก็ได้บวชแม่ชีคนนึงบวชแม่ <c oughs> ชีม่ชีตมเทศน์ฟังธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเข้าไปเลยเราจัดท่าก็้าไเลย ข้ล่งพี่เป็นช่างทำผมมั้งอ่นช่างทผมเขามาวัดเฉพาลูกมาบวชก่อพอพอลูกมาบวชเขาก็มาความที่เขาทำมาทำเินเราก็ก็ศรัทธาขึ้นมาก็แต่ไม่กี่เดือนหกเจ็เดือนแล้วยังไม่ถึงปีเขาจะมาบวประมาณวันเนี่ยเป็นช่างผม เราก็มวชแล้วก็อยู่บ้านเนี่ยแต่ทำบ้านได้เป็นเป็นวัดไปท่านอาจารย์เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าวิเคราะห์ตัวเองว่าทําไมบวชไม่ได้วิเคราะห์แล้วแต่ว่าไม่ทาบท่อาจารย์จะรู้กลับมาหรือเปล่าเปียนใจหรือว่าหรือว่ามความคิดว่าถ้าไปบวชเราต้องพร้อมจิตใช่ไหมคะแลเมื่เกิดเราไปบวชสักพักหนึ่งแล้วเราปฏิบัติรู้สึกไม่ค่อยก้าวหน้าถ้าเราจะไม่จะออกจะเขาเรียกว่าจะสึก เออจะไม่ดื ม, ม่มันเสียฟอร์มมากเลยด้น <c oughs> จะต้องคิดนานถึงว่าถ้าจะบวชทั้งปีมันต้องตัดสินใจแล้วไม่ไม่ไม่ศึกแต่ถ้า<บ>เรายังตัดสินใจไม่ได้กลัวเดี๋ยวบวชไปแล้วเป็นสองสาปีแล้วโออยากศึกอะไรเงี้ยเราศึกไม่ได้อะไรกง่ายเราเสียก็เคิดอเพอยังเดีอ่ะก็บวชไปเถิดอย่ามาอ่านขอนี้นเลย ยู่ไม่เ่าเลดีกว่าไม่ทำน ะ, ะ น, น, น, น่ า, นานไอไนายนะคะแต่อาจารย์ท่านก็ท่านก็ไม่คิดว่าจะอยู่ไปนา น, นท่านก็บวดไปก่อนอท่านยัง บ, บอกเลยว่าใครยังมาบอกให้เราสึกวันนั้นสึกวันนี้ไม่สึกไม่ได้นะการเรียนจะสึกกัน นะแต่รูปมันมันน่าอายแต่เราตั้งใจบวชไปบวชแล้วเราบวชไม่ได้แล้วออกมาโหเสียฟองมาตายตายเลยายกินไปเพือเพื่อ่นก็ต้องีกาเปี่ยนเช่นที่สามมีเคร่องบวใจวายตายที่เชียงใหม่เป็นทุกใหญ่ของเขาแต่เขาให้มากราเปลี่นว่ต า, า, ลาตลอดระยะเวลาที่เขาเพิ่งเริ่มเข้าวัดเนี่ยเขามาฟังเรื่องจำสองปีทําให้เขาเข้มแข็งมากเขาเข้มแข็งจริงๆเนี่ยลูกไปเขาเข้มแข็งมาก เองจะสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้รองไห้มันก็อยู่ที่ความรู้เท่านั้นเองถ้ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้จะต้องไปร้องห่มร้องไห้ทำไมจริงนี่เลยค่ะเขาคนไม่รู้กันเองเขาบอกวันที่รถตามศพเขาก็ได้ไปกราบสามีเขาแล้วก็นึ่งท่านอาจารย์เพราะว่าได้เห็นร่างกายซึ่งบวมมากได้เห็นอสุภะวันนั้นก็กราบขอพระคุณมากค่ะ ขอบคุบขอบพระคุณพระพุทธเจ้าถ้่มีพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะไม่มีความรู้แบบนี้เลยเขาแต่เขาให้กราบเรียนด้วยค่ะว่าอาจารย์ส่งข้อสอบซึ่งยากที่สุดเลยยากที่สุดเลยข้อสอบยากไม่ได้ให้ท่านข้อสอบซ้อมเลยเป็นสอบใหญ่เลยสอบไม่รู้ตัวก็จะได้ จะได้จะได้ทำข้อสอบเลยรนี้ก็จะไม่อยามทำเราจะทำาริงๆเพราะทำได้ทุกคนก็ยังบอกว่าทุกของเขาครั้งนี้ใหญ่ใหญ่หลวง่ได้ทุกคนจะต้องเจอข้อสอบนี้ด้วยกันนะแต่ชาดเร็วๆไม่ต้องไปกลัว เราต้องทําได้เพราะเรามีธรรมะแล้วทาไมจะทําไม่ได้ธรรมะนี่เป็นเป็นคําตอบของเรามีธรรมะแล้วมีข้อสอบกี่ข้อก็ทําผ่านอยู่กองไปเรื่อยๆกองไปทุกวันทุงวันทุกวันคนนี้ก็ตายคนนี้ก็ตายคนนี้ก็ไปอันนี้ก็ไปอนี้ก็ไคิดอย่างนี้ ต่อไปมันไปก็ก็รู้อยู่แล้วมันจะไปมีใครไม่ไปบ้างถ้าเราปรงตัวเราได้แล้วเราปรงคนอื่นได้สบายเลยไม่ต้องไปปงคนอื่นปรงตัวเราให้ได้ก่อนถามตัวเราวันนี้เราพร้อมที่จะตายนหมแค่นี้แหละถ้าพร้อมแล้วก็สบายเลย ก็ให้พรอย่างนี้นะพระเจ้าท่านเจริญปันกงถามถึงท่านชาติท่านบอกว่าโอ้ท่านช่างไม่เคยออกไปไหนเลยท่านบอกไม่เคยอยู่แล้วมีแต่เป็นคนนะฮะเราอาทิตย์ที่แล้วก็อาจารย์นิถวายก็มาพักอยู่คืนหนึ่งท่นเจริญุทายด้วยท่านเจริญมุทายท่านมาพักที่โรงพยาบาลศิริกิจแล้วท่านท่านก็แวะมาไม่เคยเจอกันท่นอย่างเห็นหน้าใครได้อ่าจากหนังสือท่านแน่ เจอท่านได้ยังเท้าท่านธุชาติใช่ไหมก็ไม่เคยเจอใครเราไม่เคยไปหาใครเป็นท่านจารยถวายก็อยู่กันมาตั้งแต่พรรษาแรกท่านมารับจิตมิมน์ไปที่พระตำหนักอ่าไปที่พระตําหนักเป็นพระที่ดีหรอครับอ่าพอดีพระที่ติดตามท่านรู้จักพระที่ข้างล่าง เขาก็ลมาติดต่ออ า, าอมาพข้างล่ามาล่มีคนเอารูปท่านไปลงในต่้นไปตายกันทีเลยตาอย่างารวเลยแต่แต่รูปกับท่านชาวไทยไม่มียังไม่มีคาลงนไ <c oughs> ม่ไมีมีใครถ่ายไว้มีมีคนเขถ่ายแต่เขาไม่ได้ลงนะมีคนก็าถือมีถือกล้องอยู่มีคนถือกล้อง เขาไม่มีอะไรสมัยท่านอาจาอยู่บ้านตากไม่ได้เจอท่านาจยทัยก็ตัวท่านไม่ได้อยู่บ้านตากท่านอาจารย์อทยท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่ฟ้านท่านบอกท่านเล่าว่าท่านอยู่หลวงปู่ฟ้านตั้งแต่ปี2504ถึงประมาณ2520นี่หลวงปู่ฟ้านเสียแล้วท่านก็เลยไปอยู่ทวร์ต่าท่านไม่เคยไปอยู่ที่บ้านตาเคยเป็นคนละสายกันท่านเป็นสายหลวงปู่ฟ้าน หลวงตาท่านคงจะเห็นว่าท่านปฏิปทาเหมือนกวนวามท่านก็เลยเห็นที่พักของท่านที่อยู่ว่าของท่านมันกันดารท่านก็เลยเอื้อเรื่องส่งเรื่องสบียงไปให้อยู่เรื่อยๆสมเครื่องกระป๋องปลากระป๋องอะไรเพราะที่นั่นดินบาบชาวบ้านเขาค่อนข้างที่จะยากจนกันดานท่านก็ส่งพวกของต่างๆไปอยู่เป็นประจำตอนหลังนี้ท่านก็มีหมดให้มาเป็นเจ้าวาดอยู่ที่ที่ต้อยะ ทราว่าท่านบวชตั้งแต่พศ2505บวชเป็นพุทธการตันนี้ถามคนที่ติดตามมาถามว่ายุเท่าไรท่านบอก76ไม่ถูกท่าน76ท่า น, นก่อนท่านก่อนหลวงพ่อถุยเห็นซนะึ่งเดียวกันนี่เอก่อนเป็นเรื่อหินนั่งรูปหินนั่งท่นนั่งก่อนหลวงพ่อค่ะอืมมาจะเป็นหลวงพ่อ นี่จะเป็นรุ่นที่จะทำหน้าที่ต่อไปรุ่นหลูหลวงอะไรต่างๆก็เก้าสิบกว่ากันได้ไปเรยรุ่นเจ <c oughs> ็ดสิบหกสิบรุ่นเจ็ดบหกสิบรุ่นห <c oughs> ้าสิบ ก, ก็ต่กันขึ้นมาตามลำดับทำหน้าที่กันไปน <c oughs> ก็มีมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยไม่ต้องกลัวละ <c oughs> พวกเราควรจะทำให้เราเป็นบ้าง แต่นี่งของน้องบางมมแต่ไปเพิ่มคน่ง่นมาเรื่อยก็ต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆตอนไปที่เพิ่งของตนความตัวเราเป็นที่เพิ่งเราจะได้ไม่ต้องไปหาที่เพิ่งยกที่เพิ่งมันนี้หมดก็ต้องไปหาที่เพิ่งมันใหม่ต่อหาไปเรื่อย แต่ถ้ามีที่เครื่อนในตัวแล้วก็ไม่ต้องไปแล้วไม่ไปไหนนี้เนี่ยแต่แต่มาจากวัดต่างนั่นต่นไม่เคยไปหาพระที่ไหนเพราะประโยชน์มันไม่ได้แล้วไปหามันก็ได้ได้อย่างที่ได้อยู่แล้วไปที่ไหนแม่ก็บอกให้ภาวนาเนี่ถ้าไม่ได้บอกให้ไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่นน ท่านบอกว่าติดปุ้เวสปมาณนี้คท่านก็สอนท่านใหม่ที่อยู่บนขาไปกลับพ่อยๆเลยว่าต้องสมบรวมตาหูจะบรวมทั้งกายนะเวลาเดินเวียนตาบเนี่เห็นแต่ขานไม่รู้จักหน้านะตลอดท่านเวลาสมัยที่ท่านปฏิบัติท่านอย่างนั้นเนี่ยท่านเวียนตาบานนี่ท่านไม่รู้เป็นใครใส่บาทท่านพ่อมองแต่ที่เท้าะนี่แหละท่านบอว่าต้องต้องระมัดระวังขนาดนั้น คนท่านี่มันเกิดการอารมณ์หน้าถ right <laughs> ้าไปมองที่หน้านี่มันวุบขึ้นมนเลยแต่มองที่เท้าไม่มีเะไหมคนเราไปชอบชอบที่ไหนชอบที่เท้าชอบ ท่านมีนะท่านมีกันแล้วกันนะขออนุมทนา